ทำกรรมฐานแล้วก็ให้โอกาสให้โอกาสตัวเราบ้างจะไปให้โอกาสอย่างอื่นถ้าไม่โอกาสในการทำทำกรรมฐานเนี่ยมันก็พลาดไปไปทำอันอื่นซะเช่นกายเราใจเรานี่ อาจจะไปทำอย่างอื่นมากกว่าใจมันก็ไปหมกมุ่นคุณคิดอะไรไปโน่นกายก็ไปรับใช้ความหลงมากกว่าที่จะไปรับใช้ความรู้ไปรับใช้ทานศีลภาวนาไปรับใช้กรรมฐ า, านเราจึง มาทำเป็นรูปแบบทำโครงสร้างกิริยาการต่างๆรวมกันเป็นหมู่เป็นมิตรแล้วก็มีรูปแบบในการกระทำหมายวิชากรรมฐานการยกมือสร้างจังหวะการเจริญสติต้องมีกิริยา ต้องมีการงานต้องมีการกระทําต้องมีเจตนาการเดินจงกรมการยกมือสร้างจังหวะการสร้างสติก็เอากายเอากายไปสร้างเมื่อเอากายไปสร้างเจตนาเขาก็ผูกถึงกิตทั้งใจด้วยใจมันก็ไปทําด้วยให้มีโอกาสอย่างนี้หาโอกาสอย่างนี้ ให้แก่ชีวิตเราแล้วก็เพียรพยายามใส่ใจแล้วก็มีการสร้างศรัทธาอย่าให้เหอาแห้งตั้งใจมั่นอยู่เสมอจะหลุดไปทางอื่นแม้นว่ามันจะหลุดไปบ้างก็ให้กลับมากลับมาสร้างกลับมาตั้งไว้กลับมาตั้งไว้ที่การกระทำแล้วก็ต้องมีการกระทำอยู่บ่อย โดยเฉพาะการทํากรรมาฐานมันเป็นอาสาระไม่ใช่เคร่งขว้างอะไรกายแล้วก็มีกายจริงๆปิยาก็มีมิริยาจริงๆแล้วก็ไม่การกระทาจริงๆรู้สึกตัวจริงๆรู้สึกตัวจริงๆรู้สึกตัวอยู่ที่กายาบางทีมันไม่รู้สึกตัวอยู่ที่กายมันไปอันเดืดมาเกิดขึ้น เป็นปวดเป็นเมื่อยเป็นความคิดอะไรต่างๆมันจะดึงเราไปทางอื่นแล้วก็ให้กลับมาไมยงันว่ามันจะมีอะไรทำให้เราเห็นแล้วก็เห็นแล้วก็กลับมามันมีสิ่งที่มันมีให้เราเห็นหลายอย่างที่มันจะมีที่มันจะแสดงออกมาทางกายทางใจภายนอกและภายในนอกตัวนอกกายเรามันก็มีแล้วเราก็ให้กลับมามันเกิดขึ้น แล้วก็เพื่อให้เราได้กลับมากลับมาตังไหยเราจะเก่งตรงที่เรากลับมานี่แหละจึงจะเป็นกรรมาฐานเป็นกรรมเป็นกรรมาฐานที่ตรงนี้เป็นการกระทาที่ตรงนี้การรู้จักกลับมาเนี่ยถ้าไม่รู้จักกลับมาก็ไม่เป็นกรรมฐานไม่เป็นกรรมฐานเลยแล้วก็อาจจ ะ, ะถ้าบางคนก็อาจจะคิดมา ก, กไหลไปกับความคิดไหลไปกับความคิด แต่ถ้าบางคนก็ไม่ค่อยคิดอะไรก็ไม่เป็นไรแต่ว่ารู้สึกตัวบางทีอาจจะคิดลึกๆนะบางทีมันอยู่ในความคิดอาจจะไม่รู้จักความคิดอาจจะไม่เห็นความคิดแต่ถ้าเรามารู้สึกตัวจริงๆมันจึงจะไปเห็นความคิดมันจึงจะไปเห็นกายมันจึงจะไปเห็นเวทนามันจึงจะไปเห็นธรรมที่มันเกิดขึ้นเป็นกุศลเป็นอกุศล ถ้าไม่ตั้งไว้ตรงนี้มันก็ไม่มีอะไรที่จะปรากฏการให้เราเห็นเราก็เข้าไปอยู่กับเขาไปเลยเราจึงมีการกระทําเพื่อจะได้เห็นอะไรต่างๆเหมื่อเราลืนตามันก็จะต้องเห็นอะไรต่างๆตาในของเรานี่ก็เหมือนกันเช่นกันมันจะเกิดการเห็นต่อเมื่อเรามีื่อไม่เราลืนตาไหนคือความรู้สึกตัว แล้วความรู้สึกตัวก็ตั้งไว้ด้วยไม่ใช่ลู่เฉยๆลอยๆอยตั้งไว้ที่อรียบทในอรียบทหนึ่งขึ้นสร้างจังหวะหรือดูลมหายใจเขาออกหรือเดินจงกรมหรืออะไรก็ได้แต่ถ้ามีที่ตั้งนะหัดตั้งหัดตั้งไว้เป็นที่ให้มันสมกับชื่อว่ากรรมาฐาน คือที่ตั้งของการงานคือที่ตั้งแห่งการกระทำมันจะจะสมบูรณ์จะเป็นกรรมจงจะเป็นกรรมถ้าไม่เนนั้นจะไม่เป็นกรรมจะเป็นกรรมที่ฟรีไม่มีผลหรือว่ากตกตกกรรมเป็นกรรมที่ไม่มีผล ทำบุญก็ไม่มีบุญทําบาปก็จะเป็นบาปไปถ้าไม่มีบุญไม่มีเจตนาก็เป็นบาปครองไปเลยพอะตัวบาปมันไม่มีเจต <c oughs> ไม่ได้มันไม่ได้สร้างหรอกบางทีมันอยู่ในตัวแต่ว่ามันฉายออกมาแล้วก็เข้าไปอยู่ด้วยเป็นความหลงเราไม่ได้สร้างมันมันหลงมาเองบางทีก็วัตถุต่างๆทําให้เราหลงเหตุ <c oughs> สิ่งแวดล้อมต่างๆ แล้วปากฏว่าคนก็สร้างขึ้นมาบางทีให้ให้เราได้หลงโลกของก็มีแล้วความโลกของโกรธความหลงแต่ว่าเราเราไม่ได้มองอีกขั้งหนึ่งตัวไม่โลกภไม่โกรธไม่หลงแต่เรามาสร้างความรู้มันก็คู่กับความหลงอยู่แล้วเราเมงมาทําจริงๆสร้างความรู้สึกตัวมันก็จะเห็นความหลงชัดเจน ถ้ามันเห็นความหลงชัดเจนนั่นละกําลังจะเลื่หูเลื่นตากําลังจะศึกษาถ้ายังไม่เห็นความหลงยังไม่มีการศึกษาอะไรชีวิตเรานะมันหลงอะไรอะไรก็ได้ถ้ามันหลงหลงไปกับกายหลงไปกับเวทนาความเจ็ความทุกข์หลงไปกับความคิดหลงไปกับความหลงความหลงมันก็ต่ออุความหลงก็ยาวไปเรื่อย ไปอยู่กับความหลงหลงไ ป, ไปลงมาเราไปไปลเลยไม่รู้ว่าตัวเราหลงไปแลยพัดเข้าไปไปอยู่กับความโกรธความไม่รู้ว่าตัวอ่องโกรธเป็นผู้โกรธไปเลยแต่ถ้าเรามนความรู้จักตัวมันจะมันจะไม่ไปหรอก <c oughs> มันจะรู้มันจะกลับมาแม้ไปมันก็จะดึงมันก็ไม่มากถ้าโกรธก็โกรธไป ม, มากนะถ้ารู้จักตัว ไว้สักหน่อยหนึ่งนะ้าทุกก็ทุกไม่มากไม่เหมือนกับไม่รู้สึกตัวเลยเลย้าทุกรอยเอร์เซ็นตถ้าโกธก็ร้อยเปอร์เซนถ้าหลงก็ร้อยเปอร์เซ็นต์หังจาเรามีทุนอะไรสักหน่อยทุนแห่งบุญนะอย่าให้ขาดแคลนทีงมาสร้างเอาไว้มันจะ มองสองแง่สองมุมไปสุดตรงไ่สุดตรงไปทางใดทางหนึ่งถ้าเรารู้สึกตัวเนาะแล้วก็เรามีเพื่อนมีมิตรมีพ่อมีแม่บางทีเราหลงอาจจะมีพ่อแม่เพื่อนมิตรช่วยว่าอันนั้นเป็นวัตถุภ น, นอกแต่ว่าการปฏิบัติธรรมนี้มันสร้างขึ้นมาจริงๆนะสร้างขึ้นมาจริงๆ มันเป็นตัวกระทาขึ้นมาจริงๆแม้มันไม่คิดไม่มีอะไระก็รู้ไปอย่างนั้นความรู้ตัวนี้ก็ไม่สูญไม่เสียไปไหนมันก็ได้เก็บเอาข้อมูลสมองหรือว่าความรู้สึกตัวนะสร้างความรู้สึกตัวมันก็ให้ข้อมูลชีวิตเราหมายว่ามันไม่หลงก็สร้างไปพอดี ถ้าไม่คิดก่อสร้างไปมันก็ดีมันไม่งงเหรอห้อนอนก็สร้างไปมันก็ดีแต่ถ้ามันเกิดอะไรขณะที่ไม่ใช่ความรู้สึกตัวขอให้กลับตรงนี้ให้ได้กลับมาหาความรู้สึกตัวให้ได้ให้มันต่อเนื่องให้มันยาวยาวให้มันมั่นคงมันเป็นงานเป็นการเราทํางานทําการก็ต้องให้มันอ่ล่วงมันพ้นไปบ้างสําเร็จไปบ้างอ่เพื่อ เป็นหลักเป็นแหล่งเป็นหลักเป็นฐานเราเรียนหนังสือก็ให้ได้อ่านออกเขียนได้ไปบ้างเราโอกต้นไม้ก็ให้มันเป็นต้นไม้ไปบ้างให้มันเห็นต้นไม้เป็นประจักษ์หลักฐานให้ดูบ้างมันจึงจะเป็นการเป็นงานทำอะไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นบ้างไม่ใช่แข่งคว้างไม่ใช่เลื่อนลอยอะ ไม่ใช่ฟรีนะการทํากรรมฐานก็เหมือนกันมันไม่ฟรีมันรู้อยู่มันรู้อยู่นะแล้วตัวรู้มันเป็นอะไรแล้วมันเป็นได้ทุกอย่างความรู้สึกตัวเป็นศีลเป็นธรรมเป็นสมาธิเป็นปัญญามันก็ละความชั่วมันก็ทําคนดีมันก็ทําให้จิตบริสุทธิ์นะคนมีความรู้สึกตัวสัมผัสตัวแล้วมันเป็นอย่างนั้น แล้วมันก็ไปเห็นแจ้งอันที่มันไม่รู้อะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่ความรู้ความรู้เป็นตัวฉเฉลยทุกอย่างลงตัวทุกอย่างถ้าเป็นความรู้สึกตัวเป็นสิ่งที่ตรวจสอบได้ชัดเจนปร่งใสถ้ามีความรู้สึกตัวตรวจสอบตัวเองไม่ใช่ไปตรวจสอบคนไม่ใช่คนอื่นมาตรวจสอบเรา อ, อันทมอันศีลเนี่ย เราต้องตรวจสอบเราเองไม่ใช่คนอื่นให้มอบให้เพราะนั้นมีจิตดีคนนั้นมีศีลคนนั้นมีธรรมอ่าเป็นโอหานของโลกแต่ว่าส่วนปรมัตา์จะต้องรู้เองตรวจสอบเขาเองมันหลงมันก็แก้เองมันโกรธมันทุกข์มันก็แก้เองมันผิดมันก็ทําแก้ไปเองแต่มป็นความรู้จากตัวนะแต่ถ้าเรามีความรู้จากตัวมันก็ไปกับทุกสิ่งทุกอย่างนะข่มร้ายข่มดี มากเรื่องหลายอย่างไปจะแล้วนะแม้ว่ามันมีความรู้สึกตัวมันก็ยังมันก็ยังจะต้องเห็นสิ่งที่วันไัโลเย yeah อะแยะนะอย่างกิเลสจะไหนอย่างหยาบบ้างมันก็เห็นอย่างกลางบ้างมันก็จะต้องเห็นอย่างละเอียดบ้างก็ต้องเห็นอ่าเป็นเห็ น, หนอ่า สังโยชน์ยอย่างหยาบๆสังโยชน์อย่างกลางสังโยชน์อย่างละเอียดอย่างนี้กิเลสอย่างหยากเช่นความโกรธความโลภความหลงมันก็ต้องรู้บ้างมันก็เห็นว่ามันเป็นกิเลสมันทำให้ใจเศร้าหมองจริงๆไม่มีอะไรที่จะทำให้จิตใจเศร้าหมองเท่ากับกิเลสคือความโลภความโกรธความหลง ยี้มแย้มแจ่มใสอยู่ดีๆเมื่อมันย่ำดีจิตใจแล้วก็โหดพึ่งตึงเครียดไปทันทีสแสดงมื่อเกียร์อาการออกมาก็ไม่น้าดูนอ่นแะมันทําให้เศร้าหมองเราก็เห็นสิ่ก็ต้องเห็นก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับมันเราทําได้ไหมทําได้บ้างอทําได้บ้างทาให้เบาลงบากมันโกดลอปเปอร์เซ็นเบาลงซัก เจ็ดสิบเปอเซ็นห้าสิบเปอร์เซว่าจึงจะเป็นการศึกษาจึงจะเป็นการถลุงยังจะเป็นศีลจึงจะเป็นสมาธิจึงจะเป็นปัญญาปัญญาศีลสมาธิเขาใช่สำหรับเรื่องนี้กันเพราะว่าได้ไปอวดไปเพราะว่าทำกับกิเลสศีลสมาธิปัญญาเป็นการปรับกับกิเลสเหมือนแสงสว่างเป็นการปรับกับความมืดกันนี่นะ เราไม่ไหมแต่ว่าเขามาได้เดินเข้าเดินออกสบายๆของบ้านของรวนเราเถือกอยู่เสมออย่างนั้นเลยเราจะมั่นคงตรงไหนที่รึเป่าเราต้องมีหลักแหล่งบ้างมีหลักฐานบ้างมีหลักประกันบ้างมีหลักซับบ้างว่าเราไม่หลักซับภายนอกบ้างซับภายในก็เหมือนกันเพื่อที่จะประ ก, กันเพื่อที่จะยืนยัน เราความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นกับตัวเราล้วก็มีสิทธิเจรีภาพเสรีภาพธรรมาทิปไตยก็คื อ, อไม่ความโกรธความโลภความหลงย่ำยี่จนเกินไปเราเรียกร้องเสรีภาพประชาธิปไตยแต่อาจจะยังเข้าไม่ถึงความเป็นอธิธปไตยคือ อิสรภาพจากสิ่งเหล่านี้จากความโลภความโกรธความหลงความโลภ ก, ก, ก็ไม่ใช่น้อยนอยหลายอย่างความโกรธก็ไม่ใช่เลน้อยน้อยหลายอย่างความหลง ก, ก็ไม่ใช่เล็กน้อยหลายอย่างแต่ถ้าเรามีความรู้เราก็ตัวหลักเลยเฉลยไปเลยนี่คือกรรมฐานนะเพื่อเพื่อการนี่โดยตรงกรรมฐานเนี่ยไ่ใช่ไปอัรรมันเดนหอก เรื่องนี้เป็นการรักผิดชอบตัวเองแล้วเมื่อรับผิดชอบตัวเองมันก็มีผลกระทบไปกับคนอื่นด้วยสิ่งอื่นด้วยวัตถุอื่นด้วยเกิดความเป็นศีลเป็นธรรมขึ้นมาด้วยเพราะมันทํามันเดียวมันคลองไปหลายอย่างคลองโลกคําจูนโลกไปเลยไม่ใช่แบบโลกโลกนะแบบโลกโลกอาจจะแย่งกันเห็นคนหนึ่ง อ๋อร้อนเขาก็ซื้อแอร์มาติดบ้านทําให้เย็นแต่ว่าความร้อนเขาก็หลุดไปให้คนอื่นธรรมนัน่์นชัดเขาได้ความเย็นแต่ทให้เกิดคนอื่นมีความร้อนความร่ำรวยของพวกเราอาจะทําคนอื่นให้เดือดร้อนเช่นเราให้ข้าวสิบจานไม่คนสิบคน คงจะได้กินทุกคนคนละชามแต่คนหนึ่งก็กลัวเอา ม, มาหมดมันก็ขาดแคลนแต่ว่าถ้าทาเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นมันเพื่อเพื่อคนอื่นนะถ้าจะพูดแล้วนะไม่ใช่เพื่อตัวเองเดียเดียวมันเพื่อคนอื่นอาจจะเพื่อตัวเองเล็กน้อยมันไปเพื่อคนอื่ น, นไปเพื่อคนอื่น พอเราไมวเวียนตนเราก็มันก็เพื่อคนอื่นมันก็ประโยชน์เพื่อกลเนท่านคงชนะหิตายะาเพื่อประโยชน์เพื่อกลกุ่เาคนอื่นชนอื่นคนหมู่มากถ้าเราปฏิบัติธรรมน้อยก็มีคนกระทุกทำให้เกิดความสงบโร่งเย็นเราปฏิบัติธรรมเป็นคนดีในครอบครัวในตระกูลของเรา ก็ทําให้ตระกูลก็เราคอยสงบโร่งเย็นเหมืนดอกมะลิตช้อนน้อยๆลอยอยู่ในโอน่งน้ำใหญ่ๆน้ำก็หอมไปด้วยก็มีศีลในธรรมก็เป็นไหมหอมไปด้วยสงกไปด้วยชื่นใจไปด้วยอาจจะเป็นที่เพึ่งพาอาศัยของวงตระกูลได้เนี่มันเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมเรารทำคนเดียวแต่ว่ามันมีผลกระทบนะ เราก็ไม่เบียดเบียนเราเราก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นบุรีเราก็ไม่สศบเล่าเราก็ไม่กินโกรธเราก็ไม่โกรธหลงก็ไม่หลงรับผิดชอบรับรองว่าไม่ทะเลทะเลอย่างนี้นะหรู่ตรงไหนก็เป็นสงบร่มเย็นให้เกิดความสุขสงบหลายอย่างอ่าบ้างการปฏิบัติธรรมเป็นกรรมฐานเนี่ยเป็นตัวหลักจริงๆเลยหลักทำความดี หลักละความชั่วหลักทำให้จิบบริสุทธิ์เนี่ยมันก็มีเท่านี้ชีวิตเรานะมันไม่ไม่มากรอกแต่ว่าหลงเนยมันก็ไม่มากนะแต่ตัวหลักคนจริงจริงมันไม่มากนะแต่วความหลงมันมากขนาดไหนมันก็ไปไปรอดถ้าเรามีหลักกันเนี่นะมีมันกันนะความหลงอะมากปลายอะมากปลายความหลงอะ แต่ว่าถึงมากขนาดไหนก็ไม่มีประสิภาษาอะไรหรอกความลงนะแต่ถ้าเรามีหลักตรงนี้แล้ววันศิลาแท่งทึบแม้จะมีลมขนาดไหนมาทิศใดทางใดมันก็ไม่มีโอกาสที่จะพัดศิลาแท่งทึบให้วันไหวได้คนมีสติคนมีศีลมธรรมก็ไม่วันไหวเพราะการเนินทาสละเสร็จมันจะมีอยู่ในโลก ตีล้านล้านตีกี่เท่าไรก็ไม่บันไหวเพรา ะ, mm hmm. ะมันเป็นศิลาแทงทือบแล้ว <Yeah. S 1> ไม่สะเทือนนะครับเวลาไม่สินไม่ทำไม่สติก็เป็นเช่นนั้นก็เหมาะที่จะอยู่ในโลกอยู่ทุกเหตุทุกการทุกสถานที่นะ mm hmm. ไปบันไวอะไรไปคิดเรื่องอะไรกันไปทำอะไรกันไปหลงอะไรกันมันลูกอยู่แล้วกลับมามาล้กจะตัว วัดส ด, ดุอุปกรณ์ก็ผิดได้ความรู้สึกตัวไม่จนเลยหายใจเข้าก็รู้ได้หายใจออกก็รู้ได้เอื้นน้ำลายก็รู้ได้พิษตาก็รู้ได้เคลื่อนมือเคลื่อนไหวยกมือเข้าเอามืออ้อมรู้ได้น่ะนมั น, ะ น, ะ น, ะนะสะดวกการสร้างความรู้สึกตัวมันไม่เหมือนกับสร้างความหลงสร้างความหลงอดอู้ต้องหาวัตถุภายนอกต้องหาวัตถุภายในเอามาแล้วก็ใส่ใจเพ่งเล็ง ย่อใจบางทีก็เอาเงินไปซื้อเอาซื้อเล่าซื้ออะไรมากินหลงไปอวัตถุที่เกิดให้คมหลงอ้าวเขาก็สร้างขึ้นมาให้สนับสนุนให้คนหลงเยอะแยะหลงหนังหลงละครบารอกอะไรต่างๆสารพัดอย่างโฆษณาเป็นกอบเป็นคำเป็นอะไระแต่ความรู้สึกตัวเยมันไม่มีวัตถุที่จะไปโฆษณา หาวัตถุที่จะไปโฆษณามันไม่มีมันมีแต่นามธรรมที่สร้างขึ้นมากับตัวเราหาวัตถุอื่นไม่ได้ต้องเอากายเอาใจเราต้องมีสติเอาอันนี้มาเป็นวัสดุอุปกรณ์สร้างขึ้นมาอย่างนี้นะนี่คือกรรมฐานกรรมฐานนี่มันเป็นหลัก มันเป็นหลักของชีวิตที่จะต้องตั้งต้นตรงนี้ให้ได้ถ้าไม่ตั้งต้นอยู่ตรงนี้แล้วก็เลื่อนลอยเหมือนจอกไม่มีลากแล้วแต่ลมพัดไปทางไหนก็นไหลไปทางนั้นชีวิตเรามันจะต้องเป็นอย่างนั้นตั้งแต่เกิดจนตายหรือจะต้องไปทุกข์จนตายไปหลงจนตายไปโกรธจนตายไปรักไปชงังยินดียินล่ายดีใจเสียใจข่มร้ายข่มดีอยู่เช่นนั้นหรือมันจะมีประโยชน์อะไร อะไรที่เราทำได้สำเร็จมันก็ไม่มีอะไรคนที่สู้เขาแบมือแันไม่ได้อะไรไปเลยแบมือสารภาพต่อบาปต่ออากุศลต่อกรรมของตนเองแม่แต่เรายังไม่เป็นอะไรยังบางคนยังสารภาพเป็นกรรมเป็นเวรของผม มันจะเป็นกรรมเป็นเวรยังไงไม่ต้องพูดเรื่องนี้นักกรรมฐานคำว่าเป็นเวรเป็นกรรมของผมเป็นกรรมของผมตั้งยี่สิบชาติเราก็ไปถามเพื่อน <c oughs> <c oughs> ที่ <c oughs> ท <c oughs> เพื่อนนักบวชที่มีเรื่องนี้แล้ว <c oughs> ที่มีเรื่องเราอยู่ทางเชียงใหม่เคย ร, รู้จักกัน ตอามีเรื่องม่ราวเกิดขึ้นแล้วก็สึกขาราเพพไปนุ่งขาวห่วมขาวก็เยไปเยี่ยมเขาก็ไปอยู่ในถ้ำไปพูดกัามันเป็นบาอย่างไรความเป็นจริงพูดในผมขังผมไม่หลังเกียดพอช่วยกันก็จะช่วยกันพอช่วยกันได้ เขาก็ว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมของผมเป็นชาติที่ยี่สิบของผมโอะหลวงพ่อ เ, เลยหมดธาเลยนะเอเอนักกรรมฐ า, านอะไรจะพูดจารย์เนี่ยไม่ใช่นักกรรมฐ า, านก็ไม่พูดจารย์เนี้ยก็ไม่ใช่ว่าเป็นเวรเป็นกรรมสารภาพไม่ต้องไปสารภาพกับเวรอะไรไปสารภาพมันทําไมแม้ว่าเราจะมาชักกี่วอนออกเราก็ไม่ใช่ว่าเวรกรรม มันเป็นเช่นนั่นเองยิ้มได้ไม่เป็นไรไม่ต้องเป็นนั่งเศร้า้อยง่อยเหงามันเป็นเวนเป็นกรรมของผมผมต้องรับกกรรมไปก่อนโอ้มันไม่ใช่อย่างนั้นโอเคไปต่อมันต้องเด็ดขาดนะเด็ดขาดตั้งแต่วันนี้สิ้นเวนสิ้นกรรมกันทีแม้เขาจะมาฆ่ามาดลุมาด่าเราเราก็ไม่ใช่ว่าเป็นกรรมเป็นเวน เราปฏิเสธไม่ได้เป็นปรากฏการณ์สิ่งเราที่ส่วนชัดเจนคือเราบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เ็นพันเปอร์เซ็นอยู่เสมออ่าเหตุการณ์ปรากฏการณ์ของโลกก็ย่อมมีทั่วๆวไปเพราะโลกมันเราอยู่กับโลกเขาเกิดมาก่อนเราเดินทาเฉลิมเสริญสุขทุกข์ได้เสียมันมีมาก่อนเราแต่เราจะอยู่อย่างอง์อาจเนี่ยอยู่วันนี้ วันนี้ต้องต้องรู้แจ้งให้ได้เวลานี้ต้องรู้แจ้งเรื่องนี้ให้ได้มันก็อยู่กับตัวเราเอาไปกบประกบกันเลยเปรียบเทียบกันเลยฉนั้นคนเป็นนักมวยขึ้นเปรียบเทียบบนเวทีถ้าใครยืนขึ้นเขาจับมือขอเปรียบเทียบกับขึ้นไปเปรียบเลยความรู้สึกตัวเปรียบกับความลงเลยไม่เท่าไรเปรียบได้เทียบได้ ความโกรธความรู้สึกตัวเปรียบกับความโกรธเลยความเป็นธรรมมันต้องเป็นธรรมอยู่สเสมอยังมาสร้างกันพวกเราไปทำอะไรกันเยอะมาทำตรงนี้กันบ้างให้โอกาสเระบ้างโอกาสการเวลาต้องให้ตัวเองอย่าหมกมุ่นเกินไปชีวิตของเรานะ เือนไทยเรามันดีดีไม่วัดว่าอารามก็เป็นวัดจริงๆริมีพระสงฆ์ก็เป็นตัวเป็นตนมีผู้สอนก็พูดให้ฟังจริงๆมีการกระทําจริงๆมีงานมีการจริงๆสิ่งที่เป็นคําพูดแม้ว่าจะเป็นสมมุติเป็นคําพูดเป็นเสียงแต่เอาไปทํามันเป็นของกินเป็นพระพุทธเจ้าสอนเราตั้งสองสามพันปีมาแล้ว สติปฐานเราก็ได้ยินเต็มหูป่านมาเท่าไหร่ั้งเอาไปสวดเนรามาทำลงเลยฐานก็เอามาตั้งไว้กรรมก็คือการกระทำความเพียรก็ใส่ใจมันหลงเพียรที่จะไม่หลงตรงนี้ขยันลูหเรียกว่าภาวนาภาวนาเนี่ยขยันลูกมันหลงเปลี่ยนให้เป็นตัวลูก มันผิดเปลี่ยนให้เป็นถูกมันทุกข์เปลี่ยนให้เป็นไม่ทุกข์มันโกรธเปลี่ยนให้เป็นไม่โกรธนี่คือภาวนาไปไปบทเพิ่มคำเพิ่มคำที่ไหนเป็นตัวปฏิบัติภาวนาไม่ใช่รูปแบบเป็นตัวปฏิบัติจริงๆมันผิดทําให้ทุกมันหลงทําให้ไม่หลงมันโกรธทาให้ไม่โกรธมันทุกข์ทำให้ไม่ทุกข์เราไม่ทําตรงนี้เราจะไปทําอะไรชีวิตเรา อะไรที่เป็นสาระไม่มีถ้าเราไม่ทําตรงนี้แล้วเราทาตรงนี้มันจะเป็นจริงนะความสุขมันเป็นยังไงความทุกข์มันเป็นอย่างไ ร, ม, งไรนะมันมีจริงหรือเราอยากได้ความสุขหรือเราเกลียดความทุกข์หรือเราไปเกลียดความสุขเราไปอยากได้ความทุกข์มันมันเป็นปลายเหตุมไม่ต้องไปเกลียดไม่ต้องไปอยากได้มันทาตรงนี้นะ รู้ส <S Tou ze> uh ึกตัวรู้สึกตัวเนี่ยรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่ยอันนี้นะการปฏิบัติธรรมมันเป็นคินเป็นอันเป็นการเป็นงานเป็นสิ่งที่ทำโดยชอบมันชอบจริงๆอยู่โดยชอบจริงๆความรู้สึกตัวเนี่ยใครจะเป็นยังไงเ็าเราอยู่ตรงนี้แล้วเราได้ที่ของเราแล้วเราจะนั่งอยู่บนรถเีล์เราก็อยู่โดยชอบเราจะเดินอยู่บนถนนเราก็อยู่โดยชอบ เราจะทําอะไรอยู่ก็อยู่โดยชอบความรู้สึกตัวพอดีพอดี อ, ดอ่าไม่อ่อนแอไม่เป็นการมาสุขขันธในการโยโยกอ่อนไหวอ่อนแอเกินไปออก้อยตามเกินไปไม่เป็นอัตตะกิเลิมัทฐานโดยโยกเคร่งขึงเคร่งเครียดจริงจังเอาผิดเอาถูกจนเป็นความทุกข์เพราความดีเป็นความทุกข์เพราความถู ก, ก, ถกเป็นความทุกข์เพราความผิดเ ท, ท่า ก, กัน ไม่ต้องดูกันดูมันรู้สึกตัวดูกันวันเหนือเหนือผิดเหนือถูกเหนือสุขเันือทุกข์ความรู้สึกตัวเห็นมันเห็นตัวเราบ้างเห็นคนอื่นบ้างตัวเราก็เหมือนเขาเขาก็เหมือนเราความทุกข์อยู่กับเขาวความทุกข์อยู่กับเราก็เหมือนกันเราเคยทุกข์มาวันนี้เราเห็นวันทุกข์เราไม่เป็นผู้ทุกข์เห็นวันทุกข์ เห็นแล้วเห็นแล้วรู้แล้วเห็นแล้วถ้าเห็นแล้วเนยมันจะเกิดอะไรรู้แล้วล่ะมันละอิทัพปัจจะตาที่เราสวดกันเพราะอันนี้มันจึงมีอันนี้เพราะไม่มีอันนี้มันจึงไม่มีอันนี้มันก็เท่านี้เองเรียกว่าอิทัพปัจจะตาผู้ใดเห็นอิทัพปัจจยตาผู้นั้นคิดว่าเห็นธรรม ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเชื่อว่าเห็นอิอทัปปจิยะ ต, ตาผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าผู้ใดไม่เห็นผู้ใดเห็นพระพุทธเจ้าคือผู้นั้นเห็นธรรมมานธรรมคืออะไรคือการกระทําที่มันมีอยู่กับเราลู่สึกตัวลู่สึกตัวนี่นะเคลื่อนไหวไปมาลู่สึกตัวอ่ามันก็เห็นอะไรถ้าลู่สึกตัวเห็นความหลงอะอย่างน้อยความหลงจะฉายให้เราดูทันที หลงไปทางไหนสารพัดอย่างเห็นไหยหลงไปทางความคิดหลงไปทางกายหลงไปกับความทุกข์หลงไปกับอารมณ์ต่างๆอันที่สร้างความรู้ความง่วงเหงาหอนอนเกิดขึ้นโอ้มากนะสร้างความรู้ความคิดไหลเข้ามาเห็นไหม ความโูภความคิดมันโอ้มันไหลเข้าว่า ม, ามาันใช้สิบปียี่สิบปีมันก็ยังเอาไว้คิดเรื่องโ น, น่นเรื่องนี้ฉายให้เราอยู่ต้องว่าหลายโลกความคิดความรักก็ฉายให้เราเห็นความชังก็ฉายให้เราเห็นความสุขก็ฉายให้เราเห็นความทุกข์ก็ฉายให้เราเห็นจนในพระศูนย์เรื่องพระพุทธเจ้ามาน สิทัทตาเอยท่านยังผมหลกดำพระเจ้าจักรพรรดิยังอยู่ในมือของท่านท่านจะมาอยู่อย่างนี้อย่างไรมาบ า, า, า, านะนะชวะะนไปโอ้โอพระเจ้าจากักรพรรดิไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะเป็นยอดของชีวิตเลยทำไมามานั่งหลังขดหลังพออยู่นี่ฮนะ ผมดกดำพิมพายังสวยสาวสนมกำนันในให้ความประคบ ป, ประงมทนอยู่มาอยู่คนเดียวเปลี่ยวกายยังไรสีทัศนะเอ้ยต้นโพเป็นของเรา น, ะนี้นที่สุดละอยอคิดถึงประสาทสามแล้วดูโนดตาเสีล <c> ะ <oughs> แล้วลดูล่อนหลังหนึ่งแล้วดูหนาวหลังหนึ่งแล้วดูฝนห ล, ลังหนึ่ง เราไม่มีประสาทสามโลมันอาจจะคิดขึ้นมาอะไรอาจจะชอบไม่ชอบตรงนี้บ้างตรงนั้นดีกว่าอาจารย์คนนี้ดีอาจารย์คนนั้นก็ดีกว่าฉันชอบอย่างนั้นฉันชอบอย่างนี้ไห้หลวงพ่อก็ยังคิดเห ม, มือนกันอายุคนช่างเจ้าหวานมันสู้อามือวางไว้อย่างนี้ไม่ได้เราวใทํามาอย่างนี้มันก็ดีคิดไปเปรียบเทียบไปเอ้า มันยังเอาความผิดความถูกมาเอาความผิดความถูกจากความคิดจากเหตุจากผลหรือเนี่ยมันต้องเหตุเอาผลมันยกเมฆมาหรือเนี่ยทําอะไรลงไปมัน ม, มีแต่ความคิดมาเอาเหตุเอาผลหรือเอาความชอบความไม่ชอบหรือด่าตัวเองต้องมาทําสิเขาทำเลยโอ้เนี่ยเอื้มือขึ้นโลกยกมือขึ้นโลกวางมือลงโลกวางมือลงโลกโอ้มันต้องมาทําตัวนี้ เสียเวลากับเหตุกับผลกับความคิดทำไมบางทีมันก็พอสมควรมันกน็บางคนก็เอาไม่ได้หอบกับโผกับบาดสู้ไม่ได้สู้เหตุสู้ผลไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนก็เป็นยานหอบเสือเป็นยานหอบกับ๋าไปเรื่อยไปโน่นไปนี่มาก อ, อธิบายแต่ไหนแต่เริ่มสติมันไม่มีเรื่องนี้หรอกเออมันก็อยู่กับเราเนี่ยเราลู้เสึกตัวนี่ ถูกไหมเราลู่สุดตัวะแล้วเมื่อมีความลู่สุดตัวมัเห็นอะไรเห็นความหลงแก้ความหลงเป็นความลู่ได้ไหมแก้ได้ทําไมแก้ไม่ได้มันหลงไปทางไหนล่ะมันเห็นอยู่หรอกถ้ามันหลงอ่ะมันหลงไปทางตาเห็นโลกหรือมันหลงไปทางหูได้ยินเสียงหรือมันหลงไปทางลิ้นกระทบรสหรือมันหลงไปทางกลิ่นหรือกระทบจมูกหรือฐานะคิวหา อะไรต่างๆหลงไปทางกายหลงไปทาง จ, จิตใจรู้สึกตัวท่าเดียวรู้สึกตัวท่าเดียวกลับมาได้อย่างดีกลับมากลับมากลับมาะกลับมาได้ทุกครั้งที่มันหลงต้องอย่างนี้นะมันมีงานมีการแ้วนั่งลอยๆอยู่มันก็ไม่เห็นอะไรมันก็ลอยอยู่นั่นแหละห่องเขาส่งซึมอยู่นั้นอ่ะต้องจับงานจับการปฏิบัติธรรมเหมือนเราจะไปทางานทำการ ไปทำนาต้องไปถึงนาแล้วต้องจับานาจับการถ้าจะดำนาก็จับมัดกา้าลงไปลุยขี้โคลนก้มลงจับต้นก้าปักลงไปในดินต้นแล้วต้นเล่าหนึ่งัดสองมัดสามมัดสี 4, มด่มัดอัก็งานก็สำเร็จไปวันได้ได้หนึ่งไร่ดำดำนาได้สามสิบสี่สิบห้าสิบมัดกา้า โบราณท่านว่าเออเท้าเ อ, อ้ยนั่งเ อ, อ้ยแต่ดำหน้าได้เด 10, บิดลเมื่อละมีสิบสามสิบมัดกะไม่อดไม่อยากโบราณท่านโอ้เราก็ทับเก่งๆเขาดำได้จริงๆเอาให้มากกว่านั้นห้าสิบมัดกะอ่ามันจะอดทีอยากได้ไงไห่เรากงานเราก็สําเร็จไปถ้าไปเล่าเป็นนั่งใจลอยโอ้ว่าจะดำตรงนั่นจะปักตรงนี้อ่าจะเตาตรงนั้นก่อนเสร็จตรงนั่นเราจะไปตรงนั่นเราก็ ตรงนั้นเอาทีหลังมันก็ไม่มีทางสําเร็จต้องปิริยะอาการที่ทําลงไปก็ต้องทําลงไปการจะทําในขณะ น, น, นั้นก็อาจจะร้อนบ้างอาจจะหนาวบ้างฝนตกอาจจะหนาวบ้างแดดออกอาจจะร้อนบ้างเมื่อยไหลบ้างลีดไหลกัดบ้างปวดหลังปวดเอวบ้างเมื่อยล้าบ้างไปงานก็ก็ต้องทําอยู่นะ ถ้ามันร้อนโอ้ยชั่วไว้ๆหนีไปถ้ามันหนาวโอ้ยชั่วไวๆหนีไปอาปวดหลังโอ้ยหนีขึ้นไปนันก็เท่านั่นหลือไม่จะทําอะไรได้การทําความเพียนการทําภาวนาก็มันั้ยากนิดหน่อยไม่สูงวงาเงานิดหน่อยก็ไม่สูงปวดขาปวดเขนนิดหน่อยไม่สูอคิดเน็ตหน่อยก็ไม่สูง รับตะพุตผูือะไรยื่นมาพร้อมที่จะวางความรู้ตัวไปตามสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่นักปฏิบัติมันไม่ใช่นักกรรมฐานนักกรรมฐานต้องกลับมาหาที่ตั้งอยู่เสมอเราทําตรงนี้เราทําตรงนี้เราทําตรงนี้เอามาเป็นเหตุที่ทําให้เกิดความรู้ความหลงเป็นเหตุที่ทําให้เกิดความโลภความทุกข์เป็นเหตุที่ทําให้เกิดความรู้เอามาเป็นแปลเป็นความรู้ทั้งหมด มือนตับเรามันแปลอาหารมันแปลอะไรมันทําหน้าที่แปลเป็นไม่เคยมีพิดเลยเข็นกินแล้วเขาว่านะมันก็แปลแอลกอฮอลให้เป็นออกซิเจนแปลไปกินลงไปมันก็แปลแปลงไปแปลมันก็ลบลบลบลบเม่อมันลบบ่อยๆได้มันก็แพร่มันก็นาตับแต่ว่าตับแข็งไปเลยโรกตับ หรือปอดใช่ไหมเอาซูบุรีเขาไว้คาร์บอนมันอกซไซน์มันทำให้เป็นออกซเิเจนออดมันพยายามลบ ก, กับควันบุหลีน้ามันดิ้นก็บ พ, พ่พปอดอยู่เรื่อยๆพ่อพูนอยู่เรื่อยๆคันสู้ไม่ไหวก็ไอเอดเอ็ออ็ดอะไรเธอก็สู้ไม่ไหวก็แพ้เหมือนกันแต่ว่าควารู้สตัวไม่แพ่นะฮะแต่เราไม่แพ้เหมือนกับตับเหมือนกับปอดนะ อพราะนั่นมันเป็นวัตถุความรู้สึกตัวเนี่ยมันมันไม่เป็มเลย น, น, น, นะถ้าเราปฏิบัติทำมันรู้สึกตัวเนี่ยรู้สึกตัวเลวัสดุอปกรณ์ที่เราทำความรู้สกตัวก็ไม่ยกมือสร้างแต่ว่าเอ้ามันไปก็กลับมาเนี่ยน้ําหนักตัวนี้มันมีเพียงพอที่จะกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกตัวได้ดีกว่าการกระตุ้นให้เกิดความหลงความหลงมันมาลอยๆนี่เรามันมีหลัก มีกรรมฐานมีที่ตั้งอยู่แล้วผมหลงมันลอยมามันจะลมพัดมานิดหน่อยเขาก็ไม่หวั่นไหวพัดกลับมาอันนี้นะการทํากรรมฐานพอทาลงไปมันได้หลักกันดีนะมันยึดได้มันจะถ้าเป็นเวทีก็ชัยภูมิที่ดีถ้าเป็นนักรบก็ได้ชัยภูมิที่ดีมองเห็นศัตรูได้ทุกแง่ทุกมุมนะตัวปฏิบัติทําการเจริญสติเนี่ย ใครจะเป็นอยังไงก็ไม่เป็นไรไม่แปลกใครจะหลงไปทางไหนก็ไม่แปลกใครจะสุขก็ไม่แปลกใครจะทุกข์ก็ไม่แปลกอะไรไม่แปลกอะไรไม่ยิ่งใหญ่ใครจะเป็นอะไรก็ไม่ยิ่งใหญ่กระจิบการจ้อยมันยิ่งใหญ่ด้วยความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนี่ยิ่งใหญ่กว่าฮ่ยิ่งใหญ่กว่าพยายามจับให้มั่นขั้นให้เดียวทําให้ถูก จับลงไปให้มันถูกันทีอย่าให้มันครึ่งๆกลางๆมันเราจับจากาที่จะถอนยาขาเพราะจับก็จับแค่นั้นถอนขึ้นได้สบายแต่บางคนจับจีบๆจอมย้อนก็ดึงขึ้นก็เจ็บมือเปล่าการทําความเพียรสร้างสติลูกครึ่งๆกลางๆครึ่งลูกครึ่งหลงเอาไปมามก่สู้ไม่ได้สู้กองลงไม่ได้ห่วงก็ห่วงคิดก็คิดอะไรก็ยุ่งไปหมดเลย ยากไปหมดเลยอ๋มันคนทำงานไม่จัดเกณฑ์ก็อะไรก็ยากอะไรก็ยากทำอะไรก็ไม่ได้อชต้องทำ <c oughs> ต้องสู้สักหน่อยต้องสู้สักต่อยธรรมะเนยก็ไม่ใช่จะเป็นสมบัติของคนที่อ่อนแอเท่าไรนะธรรมะต้องเป็นสมบัติของบุคคลที่มีความเข้มแข็งพอสมควรที่จึงจะได้บรรลุธรรม ต้องสร้างความเข้มแข็งนะต้องตกอกผางแต่ทีทำเลยเราคนเตึง่งเอาถ้าจะพูดกับตัวเราก็ลูกพ่อนี่แม่ด่เราคนหนึง่งว่าอย่างนี้ใช่ไทมโอ๊ย ท, ทำไรก็ทาไปนั่นแหละอ่อนแอไปไม่ใช่หนะอตกอกเลยลูกพ่อนี่แม่ด่ขอเราเป็นคนหนึง่งที่จะทำความดีใ ห, ให้มั่นใจทำอะไรมั่นใจ มาทําแบบไปมัม่นใจงอนแน่นกรแกนมันก็ไม่ทแบบําเลยแต่ว่าอ่อนไว้อยู่เรื่อยๆนะการสร้างสติมันทําให้มั่นคงอยู่เรื่อยๆมั่นคงอยู่เรื่อยอลู่อยู่เรื่อยลู่อยู่เรื่อยลู่อยู่เรื่อยสิบสี่จังหวะสิบสี่ลู่สิบสี่วินาทีได้สิบสี่ลู่ชั่วโมงหนึ่งได้สามพันกว่าลู่เดินจงกรม่วโมงหนึ่งได้สามพันกว่าลู่ ได้สองพันเก้าแต่ละเก้าลูบทุกเก้าไปพยายามที่จะลูบมันไม่ลูบมันหลงกับลูบไปได้ผลเรียนได้ประสบการณ์ไปเรื่อยๆมันก็เก่งสิมันก็ต้องเก่งนะพอทําลงไปมันต้องลบทันทีบางทีก็จู่โจมกันบ้างมันหลงมันยกขบวนมาก็ชมๆก็ลบไปด้วยไม่ใช่ไปฝึกหัดเฉยๆต้องของจริงลบกับความว่างลบกับความคิดลบกับความเจความทุกข์บ้า มันต้องเก่งอย่างนั้นแต่ไม่ลกมันจะเก่งอะไมันจะเป็นพระเอกได้ยังไงเอกกระคืนหนึ่งนะนะมัน <ü> <Tower> จะเอกได้ยมันก็ต้องหนึ่งบ้างนะแต่ไปยอมอะไรทั้งหมดเลยนะปฏิบัติธรรมในหลวงพ่อพูดให้ฟังอ่าพูดกันเดียวกัน่ะก็ทำตอนเดียวกันก็ทํามาอย่างนี้ฝึกมาอย่างนี้แล้วมันก็ชนะบ้างมาอย่างนี้มันก็อยู่อย่างนี้มันก็อยู่แบบต่างเก่าคน้นราว่าเก่าจริงๆ แต่ก็มันก็หลงก็โกรธก็โลภก็ทุกข์ก้เดี๋ยวพัฒนาเดี๋ยวนี้มันก็ไปเดีอแล้วมันก็มีสติเนี่ยเรายัางไงถ้าถึงตรงนี้เร า, าก็โอ้จากใครก็ถ้าถึงตรงนี้เนี่ยเหมือนพระพุทธเจ้าเรียกปกเราโอขาอาโรขามัคคามาวิเวยจจะทุโลมังตัศลาริยติปิเฉยังเหตตวากาเมจินแกโนตรงมือถึงที่ไม่มีนม้ําจากที่มีนม้ํำเดี๋ยวนี้เรา น้ำเพียงไหนเพียงปากหายใจอิ่มบ้างไม่อิ่มบ้างน้ำเพียงคอรอคออยู่ลอลอยคออยู่น้ำเพียงหน้าอกน้ำเพียงอเอวน้ำเพียงขาน้ามเพียงหัวเข่าน้ำเพียงน่องขึ้นฝั่งได้เอาไานั่นแล้ว ไปลอยอยู่ทําไมไปมุดลอยก็ยังดีมุดลงไปคนโกรธเขาถือว่ามุดลงไปแล้วคนทุกข์ก็มุดลงไปแล้วคนโลภก็มุดลงไปแล้วคนหลงกมุดลงไปแล้วอ่าโหคือไหมโอ้ยเกือบตายไปไหนเนาอะไรใช่ต้องเดดขึ้นจากน้อยกับน้ําเพียงเออเนาะอยู่ระดับไหนแล้วเนี่ยถ้าเราลุยน้ํานะ่ยอ เดี่ยวเพียงไหนแล้วฮะถ้าเพียงปากก็เต็มทีนะขึ้นบ้างขึ้นฝังขึ้นฝ้ายกขึ้นมาบ้างนะเห็นความคิดแต่ว่าน้ำเพียงขอนะเห็นความคิดเปลี่ยนความคิดเป็นความโลหน้าเพียงหน้าอกเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนความทุกข์เปลี่ยนความหลงเปลี่ยนความโกรธเห็นเห็นน้าก็ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป าเห็นเราก็เลี่ยนถ้าเป็นเราจมลงไปอีกแล้วฮะเข้าใจไหมเป็นผู้ทุกข์จมลงไปแล้วมุดลงก็แล้วเห็นมันทุกข์ลอยขึ้นมาแล้วเป็นผู้โกรธเป็นผู้ทุกข์เป็นผู้อะไรก็จมลงไปแล้วถ้าเห็นลอยตัวขึ้นมาได้ลอยเห็นที่ได้ลอยขึ้นไปเห็นที่ได้ลอยขึ้นไปลอยขึ้นไปเนื้อแต่กัน แปลว่าเห็นกับเป็นเนี่ยมันต่างกันนะแต่เห็นแล้วทุกทําอะไรไม่ได้เห็นความหลงความหลงก็ทําให้เราไม่ได้เห็นความโกรธความโกรธก็ทําอะไรให้เราไม่ได้อตัวปฏิบัติเป็นอย่างนั้นสร้างความโลภจากตัวสร้างความโลภจากตัว อ, อันนี้คุณ